เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่เก้าวันนี้เรามาศึกษากันต่อนะหัวข้อ 5.1.1 กรณีใช้ความตายลักษณะนี้เป็นความเก้าร้าวและค่อนข้างรุนแรงความตายในความหมายนี้จึงไม่ใช่การฆ่าตัวตาย แต่หมายถึงการทำลายอะไรก็ได้ให้สูญหายย่อยยับไปเช่นต้นไม้ใหญ่ข้างทางบางต้นอาจจะห้อยศพชายลึกลับซึ่งโโอตัวเองมากไปเห็นเงินทองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเจ็บแค้นในความไม่มีน้ำใจของญาติมิตรชีวิตของเขาจึงได้มอบไว้กับต้นไม้ต้นนั้นด้วยความน้อยใจ เสียใจขณะเดียวกันเขาก็กำลังประชดประชันตัดเพอต่อสายตาทุกคู่ที่จ้องมองศพของเขานี้ก็เป็นการผลักหรือปลีกออกจากสังคมอีกแบบหนึ่งแต่ก็ช่างเด็ดขาดเสียเลิศเกินวงเล็บเหตุการณ์นี้เกิดตอนปลายปี2519ที่อำเภอปราประแดงวงเล็บปิด คืออันนี้เขากาลังจะบอกว่าที่เขายกตัวอย่างมานี่เป็นตัวอย่างจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่มใชสมมตมิความผิดหวังในชีวิตของบางคนที่ใช้ความตายเป็นเครื่องหลีกหนีจึงมีมากต่อมากซึ่งถ้าเขารู้ว่าการกระทำนั้งกลับกะนำตัวเขาให้หนักขึ้นไปอีกคงไม่มีใครกล้าทำเป็นแน่ แต่ใครบ้างที่จะมีปัญญาอย่างรู้เรื่อนี้อาตมาก็อยากจะสรุ ป, ปง่ายๆก่อนนะว่าคนที่ใช้วิธีการฆ่าตัวตายอันนี้หน้าหน้า65นะคนที่เสียใจจะน้อยใจจะอะไรก็แล้วแต่เจ็บแ้นนะละกรมใจจงกระทั่งฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็เป็น วิธีการหนีปัญหานะหรือว่าบางทีถ้าพูดในมุมดีๆเขาอาจจะใช้ว่าเป็นการแก้ปัญหาคนะ่าตัวตายเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึง่งแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเป็นการหนีปัญหาไม่ใช่เป็นการแก้นะถ้าแก้นี่มันต้องหมายถึงว่าทำให้ปัญหานั้นนะ่ะมันคลายลงมันเบาลงหรือว่าปัญหานั้นหมดไป ใช่ไหมไม่ใช่มาแบบว่ามาทำให้ตัวเองเนี่ยหมดลมหายใจไปซึ่งมันไม่มันไม่ใช่เลยและจริงๆถ้าถ้าใครเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณก็จะรู้ว่าแม้ข้าตัวตายแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ยังคงสะสมไอ้ตัวความเจ็บแค้นตัวความทุกข์ โศกเสียใจจนต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังสะสมต่อไปอีกมันไม่ได้จบหรือว่าไม่ได้มันไม่ได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามันหมดลมหายใจแต่ว่าปัญหามันไม่ได้หมดปัญหามไม่ได้ถูกแก้ใช่ไหมเพราะปัญหาจริงๆที่คนนี้ทุกข์อยู่เนี่ยทุกข์เพราะว่าจิตวิญญาณเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยอมรับยอมรับทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ มันไอ้ที่เขาเขาฆ่าตัวตายไปนี่เท่ากับว่าเขาเพียงแต่อะไรอ่ะทำให้ไอ้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยอะไรอย่าตามอย่าตามร่างกายเข้าไปแต่ทางจิตวิญญาณมันยังตามไปอยู่ตลอดเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลืมเรือนอะไรไอ้ทุกเรื่องนั้นอย่างเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างนะสมมุติว่าอกหักแล้วไปฆ่าตัวตายเนี่ย ไอความรู้สึกที่ อ, อกหักมันยังคาใจเข้าไปอยู่เรื่อยตลอดมันไม่ได้โดนแกไปนี่แม้ว่าเขาจะฆ่าตัวตายใช่ไหมไอความรู้สึกหรือว่าเจ็บปวดทรมานทําไมถึงไม่มารากฉันอะไรอย่างงี้นะฉันเสี ย, ยใจฉันก็เลยฆ่าตัวตายไอความรู้สึกนี้ก็ยังคงมีอยู่ในจิตวิญญาณเขาตลอดไปแม้ว่าร่างกายนี้จะโดนทิ้งเอาไว้ในโลกนี้แล้ว แต่จิตวิญญาณนั้นก็ยังคงเอาไอ้ปัญหานั้นต่อไปอีกเพราะนั้นที่ถึงจะบอกว่าคนไหนฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยยังต้องฆ่าตัวตายอีก500ชาติมันก็เป็นสํานวนที่ให้เรารู้ว่ามันยังสะสมไอ้ปัญหานั้นเอาไว้ในจิตวิญญาณไปตลอดเพราะนั้นเกิดชาติหน้าไอ้ปัญหานี้ก็ยังตามไปเกิดชาติชาติไหนๆอีกใช่ไหมถ้ายังไม่ยอมแก้ปัญหานี้ที่ตัวต้นเหตุของปัญหาจริงๆ ที่เป็นจิตปิญญาณเราที่จะไปทุกข์ไปเดือดร้อนเพราะเรื่องนั้นๆน่ะ น, น, น, นะตราบนั้นนะคนนั้นนะ่ะยังต้องฆ่าตัวตายไปีกตลอดไม่ว่าจะอย่าว่าแต่500ชาติเลยพันชาติห0ื่นชาติคนนั้นก็ต้องฆ่าตัวตายไปเรื่อยเพราะว่าถ้าตราบใดไม่แก้ปัญหาที่จิตวิญญาณเขานี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้คำว่า500ชาติอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นสํานวนให้รู้ว่ามันมากมายมหาศาลเหมือนกับไอ้โจร500ออะไรอย่างเงี้ย นะพ่อท่านก็พูดบ่อยมันเป็นสำนวนที่ให้รู้ว่ามันเยอะแยะมันมากมายไม่ใช่ไม่ใช่โจรมี500คนหรือว่าโจรมี500บาทอะไรไม่ใช่นะที่ค่าตัวตายและที่บอกว่าเป็นบาปใช่ไหมคุณบอกว่าเท่ากับตัดอะไรนะตัดโอกาสตัวเองอนะคือมันทำให้เสียเวลา จริงๆจะเกิดมาแต่ละชาติจะแสนจะเสียเวลานะกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนกว่าจะเติบโตขึ้นมากว่าจะรู้ความกว่าที่จะมาหมุปรับจิตปรับใจโอ้โหคุณต้องใช้เวลาเท่าไหรอ่อ่ะกว่าจะเป็นเด็กกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะรู้เรื่องรู้ราวอะ่ะรู้เดียงสาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะ นะรู้ผิดรู้ถูกเป็นสมัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วถึงจะมาปรับมาแก้มันไม่มันใช้เวลานะแล้วเกิดมาแล้วไม่รู้ว่าจะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่ายังสงสัยเลยแล้วถ้าไม่เกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉา น, นอื่นๆต่างๆซึ่งไม่พบธรรมะอีกไม่พบสัตปุรุษอีกต้องเสียเวลาปีขนาดไหนก็อยู่ <c oughs> เพราะว่าจิตวิ ญ, ญญาณของคนไหนก็ของคนนั้น จะไปเกิดเป็นหมูหวากาไกจิตวิญญาณนี่ก็ไปตามนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนดวงจิตวิญญาณดวงไหนของใครก็ดวงนั้นของคนนั้นของเดิมก็ไม่ลบออกแต่ของใหม่แล้วแของเดิมของเดิมไม่ลบออกอยู่แล้ว ม, มันก็ฝังอยู่ในจิตวิญ ญ, ญาณแล้วมันเป็นลูกโซ่ต่อไปด้วยพอะบอกแล้วว่าไอ้ที่มาเกิดเนี่ยมันเพียงแค่เปลี่ยนร่างแต่มไม่ได้เปลี่ยนจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันมีอยู่ยังไงมันก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้น เ okay, ข้าใจไบางครั้งบางคนเนี่ยตอนเกิดใหม่จาไม่ได้จําอดีตไม่ได้แต่แม้จําอดีตไม่ได้ไอ้ความทุกข์ไอ้อะไรต่างๆที่มีอยู่ในจิตวิญญาณมันก็แสดงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาต่อให้คนนั้นจําไม่ได้ระลึกไม่ได้ก็ตามว่าเอ๊ะไปทําบาปกรรมหรือว่าไปทําทุกขทรมานทรมรรม์อะไรมาแต่คนนั้นน่ยจะรู้สึกตัวได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่า มันก็จะมีเวทนาใช่ไหมมีเวทนาบ้างมีสัญญาบ้างมีสังขารบ้างอะไรต่างๆเนี่ยพวามันมีวิญญาณอยู่แล้วไนงะมันก็จะดำเนินตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีทุกข์แล้วเนี่ยนึกไม่ออกอ ะ, ะระลึกชาติไม่ได้ว่าใอ้ชากของก่อนไปทำอะไรมามันถึงได้ทุกข์อย่างนี้มันนึกไม่ออกแต่ความเป็นจริงคนนั้นเนี่ย มีของเก่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมันก็ทํางานของมันตลอดเวลาด้วยวอก็ไม่ต้องพูดให้มันซับซ้อนก็ได้ <c oughs> คือความจริงมันซับซ้อนแต่เราไม่ต้องพูดให้มันซับซ้อนก็ได้ว่ามันมีอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอ้าวพุทธเจ้าเลืกชาติได้ไงอ้าวท่านก็รู้ไงว่าอดีตชาติฉันเป็นอะไรบ้าง ไปทำบุญไปทำบาปไปทำอะไรมาท่านก็ไล่มาได้หมดก็ไล่ได้หมดจะย้อนไปกี่ชาติละ่ะท่านก็ไล่ไปหรือแม้แต่อย่าว่าแต่นึกย้อนอดีตชาติเลยแม้แต่นะอนาคตจะนึกไปกี่ชาติท่านก็เอาสิท่านก็นึกไปได้นะมีอนาคตััญยานอืมวันอย่างตัวอย่างอันเนี้ยที่เขายกมานะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเออคนเรา ถ้าสมมติว่าค่าตัวตายเนี่ยมันก็คือการหนีปัญหานั่นเองนะแล้วก็หนีปัญหานี่ไม่ได้หมายความว่ า, าปัญหานั้นมันจะหลุดภาษาเราใช้คำว่าหนีปัญหาแต่ความเป็นจริงแล้วปัญหานั้นมันอยู่ที่จิตวิญญาณเพราะฉนคนนั้นจริงๆก็คือหนีจากร่างเก่าแต่ไม่ได้หนีปัญหาเพราะปัญหามันอยู่ในจิตวิญญาณเพราะันจริงๆแล้วเนี่ย ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะหนีปัญหายังไม่จริงเลยจะซ้ำไปจริงๆแล้วเนะ่เขาเขาหนีแค่ร่างกายเขาหรือว่าหนีชาติชาตินั้นของเขาเท่านั้นเอง แ, แต่อาตมาบอกแล้วไงกับซวยจะต้องไปเริ่มเริ่มใหม่โดยมีทุนทุนของปัญหาเก่านะเป็นทุนมีปัญหาเก่านะั้นเป็นทุนนะแล้วยังจะต้องมาเกิดใหม่ จะต้องมาอะไรรับภาษาอะไรใหม่ๆอีก ท, ทั้งที่ทุนคือคือความทุกข์ความทรมานที่ตัวเองเนี่ยมีปัญหานั้นอยู่เป็นเป็นอะไรเป็นต้นทุนที่จะให้คนท่านเนี่ยเอาไว้ใช้ใจ่ายอีกโอ้โหมันซวยเป็นความซวยที่ไม่มีไม่มีจบเลยนะอาสวน ถ้าถ้าชาติไหนเขารู้ถ้าเขารู้รกับใช้จะเป็นชาติเดียวก็ได้เพราะถึงบอกว่ามันเป็นสัมนวนที่ใช้กั น, น, นถ้าเขารู้ตัวเมื่อไหร่นะแล้วเขาก็เลิกใช้อวิธีการอย่างนี้เมื่อไหร่เขาเขาก็สู้แล้วเขก็ปรับปรุงกิจตัวเองมีสมมาทิฏฐิขึ้นมาเอาเขาก็พ้นขึ้นมาแล้วเดิมพ้นขึ้นมาแล้วชาตินั้นเขาจะไม่ฆ่าตัวตาย ไม่ยอมฆ่าตัวตายแล้วเพราะรู้แล้วว่ามมันโง่ฆ่าตัวตายนี่สุดจะขาดทุนที่สุดเลยจะไม่ยอมทําเด็ดขาดเลยเพราะมันไม่เพียงแต่เสียเวลาเท่านั้นมันเสียโอกาสมันต้องอะไรอ่ะอย่างเช่นที่บอกว่าเสียโอกาสนี่คือสมมุติว่าชาตินี้เนี่ยนะเกิดมีสัตว์ปรุษให้เราได้พบเห็นนะสมมุติว่าชาตินี้เกิดถ้าบางทีเนี่ยฆ่าตัวตายไปซะแล้วชาตินี้ชาติหน้า คือพอตายปุ๊บมันก็ต้องไปเกิดใหม่ปั๊บทันทีพอไปเกิดใหม่ปั๊บทันทีนะ่ยกว่าจะโตขึ้นมาอีกบางทีเอา้าบางทีสัตบุรุษนั้นน่ะอาจจะอายุมากแล้วหรืออาจจะแก่ไปแล้วหรืออาจจะไปที่อื่นแล้วหรือเราไปเกิดเนี่ยเรารู้ได้ไงเราจะไปเกิดที่เดิมอีกแล้วว่าอาจจะไปเกิดที่ไหนซึ่งอาจจะไม่มาเจอสัตบุรุษอีกแล้วมันโอ้โหมันมันเป็นความที่เรียกว่าอะไรอ่ะพลาดโอกาสอย่างมากมายมหาศาล อะไรนะการฆ่าคนอืนอ่นมันมีข้อแม้นะการฆ่าคนอื่นกับการฆ่าตัวเองนี่มันมันมีข้อแม้อยู่เหมือนกันที่ให้แตกต่างกันการฆ่าคนอื่นโดยที่ถ้าคนอื่นนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่มีบุญคุณหรือว่าไม่ได้มีคุณค่าอันมหาศาลแล้วนี่นะการฆ่าคนอื่นอย่างนั้นนี่ เออคือคล้ายๆกับว่าอย่างเช่นเอายกตัวอย่างพวกเบอร์ปืนพวกอะไรเงี้ยบางทีเขาฆ่าคนอื่นนี่ใจจริงๆเขาไม่ได้อยากจะไปฆ่าคนเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกียรชังเข้าใจไหมเขาไม่ได้แค้นไม่ได้อาฆ่าอะไรแต่มันต้องการเงินใช่ไหมมันโลภมันมิจฉาทิฐิตรงนี้นโมหะตรงนี้เพราะไอ้ฆ่าฆ่าฆ่าเหมือนกับคนที่กินเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆถ้าถามจริงๆว่าเขาอยากจะฆ่าหมูฆ่าไปฆ่าไก่โดยตรงไม่ไม่อยากจะฆ่านะ แต่อยากกินอยากกินเนื้อใช่ไหมแต่ให้มาฆ่าเองให้มาทําเองบางทีไม่ยอมทำนะหรือไม่อยากจะทำว่าอาจารย์ถึงบอกว่ามันมีข้อแม้ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าไปฆ่าอย่างที่อาจารย์มาบอกอย่างเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าคนที่มีบุญคุณกับเราเข้าใจไหมฆ่าคนที่มีเรารู้เลยว่าโอ้โหมีคุณค่ามีอะไรอะ่ะมีสาระมีประโยชน์กับโลกมากๆ อย่างเช่นพระอาหารหันต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราถึงถือว่าเป็นอนันตเรียกรรมเพราะถ้าใครไปทําร้ายหรือใครไปฆ่าสิ่งเหล่านี้นะหรือว่าฆ่าบุคคลเหล่านี้แม้ว่าเห็นไหมบางทีจะไม่เจตนาก็ตามหรือว่าหลงหลงหลงไปก็ตามแล้วก็ไปฆ่าก็ถือว่าเป็นกรรมหนักถือว่าเป็นบาปหนัก นั่นแหละอย่าว่าแต่ฆ่าเลยขนาดผู้เจ้าเนี่ยไม่ต้องถึงกับไปโดนฆ่าแต่เพียงแค่ทำร้ายพระบาทให้ห่อเลือดเนี่ยก็คื อ, ค อ, คอแค่แค่ทำร้ายพระผู้เจ้าแต่ว่าไม่ถึงตายนะแต่มีเจตนาเนี่ยไปทำร้ายอย่างนี้ยังบาปหนักเลยหนักมากๆเป็นถือเป็นอนันตเดียกรรมแต่เห็นไหมในอนันตเดียกรรมบอกหรือเปล่าว่าฆ่าตัวตายเป็นอนันตรียกรรมบอกกันป ไม่ได้บอกนะว่าค่าตัวตายเป็นอ น, นันตเดียกัรเห็นหมอามาถึงบอกว่ามีข้อแม้นะอันนี้เราเราจะต้องเข้าใจแต่ค่าตัวตายเนี่ยมันก็มีสองอย่างคุณฟังดูนะคือค่าตัวตายโดยชนิดที่เรียกว่าบางทีบางคนไม่ได้อยากจะตายฟังดูให้ดีไม่ได้อยากจะตายแต่มันมันมันทนทุกขเวทนาไม่ได้อย่างเช่นบางคนเจ็บป่วยจริงๆเอาสมมติเป็นโรคมะเร็ง หรือบางคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยคุณเข้าใจไหมแล้วก็ฆ่าตัวตายถ้าจริงๆริงเขาอยากจะอยู่ไหมเขาอยากอยู่แต่ที่เขาฆ่าเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะทนทุกเขเวทนาไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าอาจจะมีเหตุอื่นอะไรอื่นเนี่ยแต่จริงๆก็คือว่าเขารักชีวิตเขาเขาไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายนะีแต่มันมันทนปัญหาหรือว่าทนอุปสรรคทนอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ นะก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหาไงก็เลยมาลงเอยที่ฆ่าตัวตายถ้าอย่างนี้นี่ลักษณะหนึ่งแต่ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือฆ่าตัวตายโดยที่มอีอีกแบบหนึ่งคุณเห็นไหมแบบโมหะจริงๆแล้วคือไอ้กี่นี่แบบว่าทุกแบบว่าทุกทรมานนะก็เลยฆ่าตัวตายส่วนไอ้พวกอะไรนะอะไรเกตอะไรนั่เกตนะประตูสวรรค์นนะ่ะ เฮเบนเกตที่โมหะอันนี้แบบโมหะหลงอ่ะนะเชื่อว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเขาจะได้พบพระเจ้าหรือว่าได้ไปสวรรค์ไม่รู้กี่คนอนะ่ะที่ฆ่าตัวตายอันอันนี้อีกอันนี้ฆ่าด้วยความยินดีเข้าใจไหมฆ่าด้วยความพอใจนะอยากจะตายอยากจะตายเพื่อที่จะ ได้ไปพบหรือว่าไม่รู้จะไม่ใช่ไปเจอพระเจ้าหรือว่าจะได้คุณวิเศษอะไรของเขาก็แล้วแต่ไอ้นี่หนักยิ่งกว่าข้านี่หนักยิ่งกว่าเพราะว่าจิตวิ ญ, ญญาณมันต่างกันเข้าใจไหมเนี่ยคือสภาวะของจิตวิ ญ, ญญาณที่ต่างกันไอ้ข้าแบบนี้เนี่ยโอ้โหจิตวิ ญ, ญญาณมันโมหะหนักเลยกลับคิดว่าข้าตัวตายอย่างนี้แล้วมั น, ม, นมันดีอ่ะมันวิเศษอะ่ะโอ้โหอย่างนี้แก้จิตอย่ี่ยางเพราะว่าบอกแล้วพอข้าตัวตายปับ๊บ ไอจิตวิญญาณที่มันยังมีโมหะอย่างนี้มันก็ยังคงโมหะอย่างนี้เข้าใจไหมจิตวิญญาณเนี่ยแต่ต่างจากไอระกีนีไหมไอระกีนีมันมันไม่อยากจะตายนะมันไม่ได้อยากจะตายเลยเพราะสะภาพจิตวิญญาณเนี่ยมันยังต่างกันไออันหลังนี่หนักกว่าไออันโ น, น้นเอาก็ความรู้สึกเขาไง ความรู้สึกของของคนที่ฆ่าตัวตายจะความยินดีนนพอใจมากๆนี่เขารู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมไอจิตวิญญาณที่มันคิดว่ามีความสุขนี่แหละมันยิ่งจะฆ่าตัวตาย500ชาติหมื่นชาติ0 0นชาติอะไรแต่อาจามาบอกว่าไอคนฆ่าตัวตายเพราะไอนั้นมันมันจำ น, น้นจริงๆมันไม่อยากจะฆ่าตัวตายเลยเออบางคนมันทนทุกขเวทนาไม่ได้แม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มี ที่ภิกษุเนี่ยทนไม่ไหวใ น, นที่สุดก็ฆ่าตัวตายก็ยังมีเลยเพราะทนทุกขเวทนาไม่ไหวแต่ต่อมาบอกแล้วถ้าอย่างนี้อีกลักษณะหนึ่งสภาวะจิตน้ํายังไม่แย่เท่าพวกที่หลงโมหันหนัก ๆ, ๆอะไรนะอ๋อไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอย่างสืบนะาคเสถียรนี่เขาฆ่าตัวตายเพื่อเหมือนกับประท้วงเหมือนกับเรียกร้องเออ เหมือนกับอุดมการมันเหมือนกับจริงๆอย่างพระเยซูเนี่ยไม่ตายก็ได้ถ้าถ้าโดยที่เราฟังเนื้อหาเรื่องราวต่างๆนะแต่ก็ปรากฏว่าพระเยซูก็เหมือนกับเลือกทางสายเนี้ยที่จะโดนตึงกังเขนไม่รู้นะเนี่ยเท่าที่จะมาฟังฟั ง, ฟงหรือว่าอ่านหนังสือมาบ้างหรือว่าหนังที่เขาทำมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นลักษณะนั้นซึ่งอันนี้ต่างกันเลยนเนี่ยเนี่ยเห็นหนี่ก็เหมือนกับเป็นเชิงเชิงเหมือนกับฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าตายโดยที่ว่าคนอื่นมาทำท่านแต่จริงจริงนี่ท่านท่านเลี่ยงก็ได้ท่านไม่ต้องตายก็ได้แต่อันนี้เนี่ยมาตรงข้าบตรงอันนี้เป็นเหมือนกับอุดมการใช่ไหมเป็นเจตนาที่ตอนกาละนั้นน่ะตอนเวลานั้นถ้าพระเยซูไม่ทาอย่างนี้เนี่ย ศาสนาคริสต์ไม่ขึ้นมาเลยเพราะลูกศิษย์12คนนั้นไม่ยอมรับไม่กล้ายอมรับโดยซ้ำแบบว่าพระเยซูไปอาจารย์คือคือคือกลัวถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพระเยซูทำอย่างนี้เพื่อเหมือนกับปลุกจิตวิญญาณของสานุสิทธิ์เนี่ยให้มีพลังแล้วก็ให้สำนึกบาปให้อะไรพวกนี้จนกระทั่งมีพลังที่จะมาสร้างหมู่สร้างกลุ่ม จนกระทั่งสร้างศาสนาขึ้นมาได้ไม่ใช่หรอกอันนั้นไ ม, ไม่ไม่ใช่โมหะท่านทำทั้งท่ า, ท, าที่ท่านรู้ด้วยซ้ําไปแล้วท่านก็ไม่ได้มาฆ่าตัวตายด้วยมือตัวท่านเองก็เปล่าเข้าใจไหมเป็นผู้อื่นมาฆ่านะพ่อท่านถึงได้บอกเนไม่ต้องพ่อท่านนะแม้แต่ในในพระติปิฎกก็มีว่าถ้าถึงท่านระดับผู้พระเจ้าแล้วไม่มีที่จะมนต้องตายด้วยมือคผู้อื่นถ้าเป็นระดับพระเจ้าเนี่ยจะภูมาทําขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ที่จะมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถที่จะถึงขั้นเรียกว่าไม่ต้องไปเจอวิบากขนาดอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่มีอุบัติเหตุอย่างนั้นแต่ผู้เจ้าเห็นไหมล่ะ ท, ทั้งทงที่รู้ว่าอาหารที่นายจุนทะทำมานี่จะต้องมีพิษรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้ก็ป่งอายุสังขารแล้วไง โปงอายุสังขารแล้วก็ฉันพอฉันเสร็จยังบอกว่าไม่ให้ใครยินนะให้เอาไปทิ้งให้ไปฝังจะนะคิดดูแล้วไม่ไม่จะบอกว่าไม่รู้จะยังไง ร, รู้แต่ว่าคล้ายๆกับว่าท่านท่านมียานอย่างรู้อนาคตแล้วท่านก็ตัดสินใจแล้วว่าว่าอีกกี่เดือนจะปรินิพานเพราะเพราะฉะนั้นข่าวนี้พูดง่ายว่าท่านปล่อย ปล่อยไปอะไรอะ่ะปล่อยไปตามสภาพที่คล้ายๆกับว่ามันลงตัวอย่างนี้แล้วท่านก็ให้มันเป็นความลงตัวไปตามนั้ น, น, นแต่ไม่ใช่ว่าท่านก็ไม่ใช่ไปบอกว่าให้เข้ามาเอาเห็ดมีพิษมาให้ท่านฉันนะไม่นะคือมันจะเป็นไปตามนั้นไงแต่จริงๆแล้วถ้าท่านยังไม่ปรองอายุสังขาร น, นะก็ท่านก็รู้อยู่แล้วถ้าท่านยังไม่ปรองอายุสังขารเนี่ยท่านไม่ท่านก็ไม่ต้องฉันหรือว่าท่านก็อะไรอะ่ะ หาทางบอกหาทางแก้อะไรไปก็ได้แต่เมื่อท่านปงอายุสังขารแล้วและที่ท่านปงอายุสังขารท่านรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเนี่ยถ้าพระอานุ์ถ้าพระอานนุลรู้นิมิต ท, ที่ผู้เจ้าบอกเอาไวนะ้น่ะในหลายๆที่หลายๆแห่งถ้าพระอา น, นุ์รู้ปับ๊บพระอ น, นุลขอขอให้ผู้เจ้าจะอยู่ต่อนะถ้าพระอานนุ์ไหวทันอันนี้ปับ๊บถ้าขอผู้เจ้าแล้วผู้เจ้ารับ จะอยู่ต่อนะทันทีเลยเหตุการณ์อันนี้ที่จะมาฉันสุกรัมัทวะนี้สําหรับผู้เจ้าก็จะไม่เป็นพิษที่จะมาทําให้ผู้เจ้าจะต้องพอดิบพอดิานแต่เพราะว่าพระอานนทเนียไม่ไหวทันแล้วก็เลยไม่ได้ขอพรันผู้เจ้าท่านโดยปองอายุสังขาร<อ>เมื่อปงอายุสังขารเนีเพราะว่าท่านรู้เหตุการณ์ว่าจะต้องเกิดอย่างนี้อยู่แล้ว<อ>เพรา ะ, ะนั้นท่านก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นตามเหตุการณ์นี้ แล้วมันก็เลยต้องต้องเป็นไปตามนั้นเนี่ยเนี่ยคือความแตกต่างกั น, อ ะ, น, อ, นอะไรนะอาหารมื้อสุดท้ายจะไม่ไม่มีเมื้อสุดท้ายหรอกนไปแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้ผ่านทันที อ, อีกตัวอย่างหนึ่งนะเขายกตัวอย่างการทะเลาะกันและจบลงด้วยการไม่พูดคุยกันแม้จะนั่งทำงานอยู่ด้วยกันก็ตามทำอะไรรากับไม่รับรู้ถึงความมีอยู่ของคนที่เราเคยทะเลาะนี่ก็มักจะพบในสังคมทั่วไปซึ่งถ้าเรียกว่าอัมหิตก็อัมหิตอย่างเย็นเยียบเพราะถึงขั้นฆ่าเขาจากห้วงความนึกคิดของเราทีเดียว เป็นจิต ท, ที่มีพยาบาทอันแสนจะฟุ่งเฟือยคือในที่นี้เนี่ยเขาบอกหัวข้อนี้ว่ากรณีใช้ความตายใช่ไหมคือหนีปัญหาด้วยการใช้ความตายแต่แล้วกี้เขาก็บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าวิธีการใช้ความตายเขาไม่ได้หมายความแค่ฆ่าตัวตายตัวตนนี้เท่านั้นเขายังหมายถึงว่าการทําลายอะไรไปที่มันอยากจะให้อันั้นมันหมดให้มันศูนย์ไปอย่างเงี้ย เขาก็ถือว่าอย่างนั้นแหละเป็นแบบวิธีการใช้ความตายเอามาแก้ปัญหาเหมือนกันมันตัวอย่างเนี้ยที่เขาบอกว่าทะเลาะกับใครแล้วก็เลยไม่ยอมพูดด้วยไม่ยอมที่จะคุยด้วยแม้ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยก็บอกว่า น, นี่วิธีเนี้ยคนทั่วไปเนี้ยใช้กันเนยอะเขาบอกว่าเนี้ยมันก็เป็นความอำมหิตก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เขาถือว่าเนี่ยแหละมันเหมือนกับใช้ความตาย แต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าจะใช้ภาษาคือค่ากันทันกิพิญญาณ